เสียงอ่านอ่านธรรมะใกล้ตัวฟรีแมกกาซีนๆๆ เร็วจนกระทั่งบางทีเรายังเร หากเรามีความตั้งใจในการประพฤติ ทั้งเลิกแห่งความ 2550 พอดิบพอดี เพื่อรองรับฐานคนอ่านที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นทุกวันเพื่อสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่รับฐานคนอ่าน หรือพี่ดนตรีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหาก ต้องขอด้วย และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็จะ สวัสดีปี 2550 แด่ทุกๆ